ก็ประการต่อไปก็คือศึกษาคําว่าสัมมาสัมพุโทโธเต่ซึ่งแปลว่าเป็นการตัดสรู้ชอบได้โดยโด้วยพระองค์เองเนาะนั่นที่บอกว่าสัมมาก็แปลว่าไม่วิปริตสามังก็คือแปลว่าเองเนี่ยนะนั่นเองไม่เป็นผู้ไม่ถูกคนอื่นแนะนําสั่งในบทหน้านั่นก็แปลว่าสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยบัณฑิตเห็นว่าเป็นสาที่ทําให้เข้าใจความหมายบอกว่า สยังก็ได้แปลว่าไปเองคําว่าทำทั้งปวงก็ตัดรู้ยยธรรมทั้งปวงแล้วก็ได้โดยพระองค์เองเนะไม่มีอาจารย์ที่ท่านใช้คําว่าอาจารย์ของเราไม่มีนะดูก่อนพรามที่ท่านบอกทำที่ควรรู้ยิ่งเราก็ได้ทําให้รู้ยิ่งแล้วทำที่รู้ยิ่งโดยยานันวิเศษคือวิชาและวิมุตต์เนี่ยหรืออริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นเราก็ได้รู้ยิ่งเองแล้ว ปริญญาธรรมรำที่ควรรอบรู้เราก็ได้รอบรู้แล้วคือทุกขสัตย์เนี่ยนะปะหาตประธรรมทำที่พึงละเราก็ได้ทําการละด้วยอริยมรรคเรียบร้อยแล้วคือสมุทัยสัจจะทำที่ควรทําให้แจ้งคือนิโรธสัจจะเราก็ได้ทําให้แจ้งแล้วทำที่ควรเจริญคือภาเวตปะธรรมเนี่ยนะเราก็ได้เจริญจนครบรอบแล้วดูก่อนพราหมณ์เมื่อเราตัดรู้ได้ด้วยตนเองอย่างนี้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 ทำที่ควรเจริญพระองค์ก็ตรัสถึงมักตจะศัพท์ในระถานี้ท่านรวบรวมคำพึงกำลังที่มีไว้ด้วยอำนาจของจ่าศัพ์พึงทราบอาถือถึงทรรมที่กระทำให้แจ้งด้วยเนาะที่จริงโดยความหมายท่านตรัสไว้ไม่ครบแต่ท่านก็มีหรือเขาว้ธรรมที่พึงรู้ยิ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งเป็นต้นน่ ก็โดยการรู้ถึงปาริเสสนัยนะในที่ไม่ได้ระบุไว้แต่ท่านก็บอกว่าอู๋ท่านท่านระบุถึงไว้ด้วยเนี่ยนะนั้นสัจจะสี่คือทุกสมูทายนิโรธมากก็แปลว่าพระพุทธเจ้านั้นตัดสู้อริยสัจจะธรรมทั้งหมดและตัดสู้เยริยธรรมทั้งหมดดังที่ได้กล่าวในอัตถกถาของเสรสูตรท่านอาจารย์ได้กล่าวคําบอกว่าทำที่ควรรู้ยิ่งได้แก่วิชาและวิมุติ ในหลักเลยทั่วๆไปที่เอามาใช้กันเนี่ยก็คืออักขศัพท์ธรรมที่ควรละก็ได้แก่วิสมุทญาสจักเพราะผลสําเร็จได้ด้วยการกล่าวถึงเขีดก็หมายความว่าเมื่อกล่าวถึงตัวทุกขศัพท์ใช่ไหมก็ต้องรู้ด้วยว่าทุกขศัพท์นั้นเป็นธรรมที่หลังไหลมาจากเขีดนี่นะเป็นธรรมที่หลังไหลมาจากเขตดเป็นต้นครั้งที่แล้วพระูดถึงในเรื่องขอาทุกขศัพท์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 บาปอกขระและทำมันลามกก็เกิดขึ้นเพราะการที่สัตว์ได้เห็นรูปปั้นของสัตว์โลกแม่รูปปั้นของเราท่านทั้งหลายก็เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะไม่ใหม่ที่เกิดมาตอนอายุยังเย า, ย า, ยาวัยอยู่ก็เป็นที่ตั้งของราคะพอเริ่มเจริญวัยมากขึ้นมาก็เป็นที่ตั้งของโทสะใช่ไหมโมหะไม่ต้องพูดถึงมันก็ปกปิดอยู่แล้วนะเข้านะเข้าก็อากัรกิริยาใดๆของเราท่านทั้งหลายในวัยที่กําลังเสื่อมลงทั้งหลายนี่นะ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 มันเสื่อมโทรมไปหมดแล้วนะตาก็เสื่อมหูก็เสื่อมจมูกลิ้นกาย ต, ต่างๆก็เสื่อมสัตว์อื่นเห็นก็พาเป็นทั่นงน่าสังเวชสลดใจของเขาสิ่งต่างๆเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของปัญญาของบัณฑิต ด, ดีนะกบัณฑิตเห็นแล้วเขายินเข้ายัยทุกอย่างอย่างแท้จริงใช่ไหมฉะนั้นต้องบอกว่าเออเนี่ยโบราณเขาทาประเพณีไว้ดีนะเวลาสวดมนต์เนี่ ย, นน เ, นยเขาให้เราเป็นนั่งหมอว่าภาคุม แล้วก็ให้พาพิจารณาอนิจจาวัสังฆาลาอุปาทวยธรรมิโนอุปาชิตวาเนโรชันติเตสังบูปัสโมสุโขว่างั้นฮะแต่เอ๊ะจะไปทําอย่างนั้ น, า น, นบางคนรับไม่ได้พระก็เลยเลี่ยงเขาพูดบอกเอา้ามาชักบางสกุลจะได้อายุยืน <c oughs> <c oughs> ก็เลยไปนั่งหมอไปพระนั่งชักบางสกุลใช่ไหมแท้จริงพระท่านบอกว่าพอชักบางสกุลเบ็ดเสร็จแล้วท่านก็ชักบางสกุลเป็นอีกนะ บออันนี้ยังวัตยังกายโยปทวินเกษตรจุดโถอเปตวินญาโนนิรัตถงวคหิกงกันลังก็แปลว่าโอชื่นใจกลับมาเกิดใหม่แล้วบอกแค่นั้นแหละถ้าที่ไหนได้พระท่านบอกว่าไงรู้ไหมว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงเนี่ยของฐานคุณก็ไม่เที่ยงยังไหมของเธอเนี่ยไม่เที่ยงหรอกเพราประกอบไปด้วยชาติทุกทุกชาทุกมรณะทุกเที่ยงหรืที่ไหนเนี่ยแม้เป็นที่ตั้งของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วไปอนัตตาแล้วไม่งามด้วย ใช่ไหมเป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศร น, นี่ที่กำลังหมอบอยู่ที่ชหน้าของพระเนี่ยนะท่านหมวิจัยอย่างนั้นแล้วก็ให้มาชักเบาวสกุลเป็นท่านบอกว่าเนี้อีกไม่นานจะตายอีกไม่นานแล้วจะตายเนี่ยโอ้ยดีใจใหญ่พระท่านว่าแล้วอีกไม่นานแล้วเราจะตายบอกว่าเมื่อมีวิญญาณไปปราศจากแล้วเนี่ยก็เหมือนกับท่อนไม้หรืท่อนฟืนที่วะทับกับแผ่นดินอยู่ว่าอีกไม่นานเนาวิญญาณไปปราศแล้วว่าอีกไม่นานแล้วคุณจะตาย เราโอ้ชื่นใจมากพระบอกว่เราจะตายแล้วแต่เราเราจะเกิดใหม่แล้วเหมือนได้เกิดใหม่แล้วดีใจก็ได้โมหะต่อมาใช่ั้ยแล้วก็ยังไม่เห็นอริยสัจ ท, ท, ทั้งทั้งที่โบราณก็ททำไว้ดีแล้วนี่ก็มารยาหลังก็พอมาทำทาเข้าพระก็หลุดหลุดคาสอนที่สืบต่อยอมก็รับไม่ได้บางกลุ่มเนะ ใช่พระพูดความจริงต่อหน้าก็รับไม่ได้ว่าตัวเองไม่มีอริยสัจอยู่แล้วนะไม่เข้าใจอริยสัจไม่เห็นทุกขสัจเป็นต้นอยู่แล้วเนี่ยก็บอกโอท่านทําไมหนักเหลือเกินเะนี่ะคําสอนของท่านเน่ยพระก็เล่นนั้นกลุ่มหนึ่งคือตามใจโยมอีกกลุ่มหนึ่งพระก็ไม่เข้าใจโยมก็ไม่เข้าใจสรุปแล้วมาทุกวันนี้ไม่เข้าใจทั้งกูเลยทั้งพระทั้งทั้งโยมเนี่ยมันหลุดมาอย่างเงี้ยนะครับทั้งทั้งที่ในบทนี่ดีมากในรูปแบบนี้เนี่ยพระท่านสอนได้ดีมาก โบราณเขาทําไว้ดีแต่ความเข้าใจอัตถะของโบราณที่ท่านทําไว้ไม่ดีพอก็หลุดลุยไปหมดแล้วพอพระที่เข้าใจบอกก็บอกบอกเป็นในายเออเยอมเอาร่างกายให้พระท่านพิจารณานะมีอันดีสงมากพระจะท่าน ว, วิจัยเป็นทุกเป็นอนนัเป็นอัน น, ะ น, นีจอางทุกข์ของหน้าตาเป็นความไม่งามเออก็จะดีน้อยอะไรให้ท่านพิจารณากระร่ายกายของเราที่ไม่ข้อท่าเขาทางนี้บอกว่าเออในกลุ่มนี้ ป้าก็พูดเลี่ยงไม่พูดตรงๆเ่ะถ้าพูดตรงๆขึ้นมากวาวยอมจะดุ้ผมไม่เอาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวบอกไม่ยอมแล้วอย่างเงี้ยโอ้โหทำไมร่างกายของดิฉันดีๆขนาดนี้ทำไมพ่ะคุณว่าจะเสียเลยเนี่ย ก, ก็จะไปกันใหญ่ใช่ไหมแต่สรุปแล้วตอนนี้ก็คือว่ารูปปั้นของเราท่านทั้งหลายเป็นที่ตั้งของโทส่าเป็นส่วนมนากนะข้านะข้าวลูกหลานกระลำคาญผู้เกี่ยวข้องกรําคาญ เป็นที่ตั้งของหน้านะเพระมองไปตรงไหนมันไม่เหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนแปลงหมดแล้วทั้งหลงหน้าลืมหลังนะ่ะเขาก็จะเป็นคนแก่ๆคนหนึ่งนะเงอะเงอะคนหนึ่งแล้วก็ทําอะไรก็ไม่ได้นะเรานองดูอีกสักยี่สิบปีข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไง น, นะนะถ้ายังมีชีวิตอยู่เนะี่ยก็กลายเป็นยายแก่ๆคนหนึ่ง่นะนะ ไปไหนก็ไม่ได้งาะโง่เงินเงินเป็นที่รังเกียจของเครือญาติทั้งหลายก็อันเนี้ยนี่ไงเป็นที่ตั้งทุกแท้แล้วนะ่ะเขาก็จะตายไะนะแล้วก็ไปเกิดใหม่จันก็แบกขันธภารักษยกขันธภาระขึ้นมาใหม่อีกนี่แหละไม่พ้นจากชาติทุกในส่วนตนเองและในส่วนของบุคสัตว์อื่นทั้งหลายที่ยังไม่รู้อีหนุยน่ยเหนือก็เชื่นชมนะักคนพ่านทั้งหลายยินดีนะักนะยินดีนะัก ยินดีมากว่าก็มาชื่นชมยินดีแล้วก็ขอดตายไปกับสิ่งที่ตนเองยินชื่นชมยินดียอมรับไม่ได้บางกลุ่มก็ถ้าตนเองแก่จนเกินไปแล้วก็ไม่ยอมดูภาพในกระจกไม่พยายามดูไม่พยา ม, ม, พยมยอมรับความจริงว่าตนเองมาขนาดนี้แล้วน่าจะปร่งพาระก็ไม่ยอมปลงอย่าว่าจะให้คิดเลยแค่จะให้ยอมรับยังไม่ยอมรับแล้วอันนั้นก็ อันนั้นกลุ่มที่หนาแล้วนะตรงนี้ต้องหากความว่าเธอบอกปีระนาโถนี่นะเป็นที่ตั้งของว่าชาติทุกปีระนาโถอย่างไรชาาทุกปีระนาโถอย่างไรพญาทีทุกปีระนาโถอย่างไรแล้วก็มรณะทุกโสกาภริเตวะทุกขโทมะสาวุปาญาตแต่ละจุดของทุกขต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เนะี่ยว่าเบียดเบียนยังไงนะเบียดยนะเบียน ย, ยังไง หรือปร ะ, ประการต่อมาก็คือเร่าร้อนอยังไงใช่ไหมเป็นต้นอย่างนี้ยก็ไปไข้ควรเบ็ดเสร็จแล้วก็วิป ร, ริตยังไงเนี่ยไปไข้ควรว่าอันดับแรกนั้นเป็นทุกจริงอันดับต่อมาก็คือไข้ควรไปถึงมักยังไงไข้ควรไปถึงสมุทรไทยยังไงที่เป็นที่ประชุมยังไงใช่ไหมว่าโรงงานของตันหาทั้งหลายเป็นตัวผลิตชิ้นส่วนของทุกษัตริย์มาอย่างไรโรงงานกล่าวคือตันโรงงานกล่าวคือตันหาคือสมุทรไทยเนี่ยมันผลิตยอยู่ตลอดเวลานเนี่ยนะผลิตชิ้นส่วนของสัตว์ทั้งหลายเนี่นะ รูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เรารับแบกขันภาระอีกเยอะหมดเลยแล้วเราไปสร้างสมูทไทยคือสร้างเหตุของทุกข์ไว้อย่างมากมายแล้วในสังสารวัตที่ผ่านมาเกินยี่สิบเกินสี่สิบเกินแปดสิบที่ผ่านมากรรมเหล่านั้นยังรอหมดโรงงานที่ผลิตเหล่านั้นยังไม่ถูกทําลายเลยและมันพร้อมที่จะให้นะนั้นเรามีขันให้เลือกเต็มไปหมดโดยเฉพาะขันในการมาภูมิทั้งหลายนี่นะหลายชนิดมาก ลกลุ่มของเปรตนี่ก็โหวิวจิตจัดกลุ่มของพวกสัตว์เดรัจฉานกระแสนจะวิจิตพิสดาร น, นะที่เราได้ผลิตไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะชิ้นส่วนเหล่าเนี้เหลือแต่เพียงว่าเมื่อไหร่มันจะได้โอกาสในการประกอบชิ้นส่วนรถอันนี้ออกมาวิ่งน่ะแล้วลของมนุษย์เนี่ยโอ้โหทําไว้ทุก ป, ประเภทตั้งบ้าใบบอดหนวกอะไรเยอะแยะหมดเลยนะแล้วประเภทที่พิคนพิการประเภทที่ปัญญาทึบ ป, ปัญญาน้อยปัญญามากนะี่ทำไว้หมดโรงงานเหล่านี้ ชิ้นส่วนเหล่านี้แปลว่าเรียบร้อยเบสเสร็จแล้วเพียงแต่ว่ามันจะประกอบเมลัยที่จะออกมาวิ่งไดเมลัยรอจังหวะวิ่งอยู่นะตอนเนี้ยนะเขาเห็นไหมมันรอจังหวะวิ่งมันจะออกมาวิ่งเพ่นพ่านอยู่ได้เพราะใกล้จะตายปั๊บมันเสนอแล้วมันออกมาเสนอแล้วนะมันจะมีพวกกลุ่มกลุ่มนายหน้าทั้งหลายมานําเสนอแล้วตอนนั้น่ะเราประเภทที่เบลอหมดแล้วประเภทที่เบลอหมดแล้วความหลงก็ครอบงำอย่างรุนแรงแล้ว คิดดูในะเห็นอวัรรยวสต์ดีได้อะเห็นขันของอวัรรยวสต์โอ้โหงามได้ลองคิดดูแล้วก็ยึดเถื่อเพอราอวัรรยวสต์ก็ออกมาวิ่งมาเพ่นบรรพานกันเต็มในโลกใบนี้เนี่ยนั่นแหละโอ้โหหน้ารังเกียจนะักทุกข์ศาตร์นี่หน้ารังเกียจนะักแล้วหนีไม่ได้อะแล้วมันเราเราไม่เคยทําลายโรงงานนี้ได้เลยนะในสังสารวัตที่ผ่านมาเนี่ยคนเขายังไม่เจอเลยอะ่ะใช่ไหมถ้าคนเองต้องใช้สัมมาสัมโปวิยาณคนนะ้น คนที่ต้องตัดสรุปเป็นผู้ได้เจ้าเป็นพ่อปเจกพู้ไเจ้าโอ้โหต้องคนเองได้นอกนั้นระดับนิสาวกโอ้โหระดับสาวกยังเล่นยากแล้วใช่ไหมยังเล่นยากแล้วลองมองคิดดูแม่เล่นผลิตโรงงานกันมาเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมชิ้นส่วนที่ประกอบไว้เพียบหมดและทุกวันมิงไม่ยอมหยุดประกอบเปนอีกอเออยังไม่ยอมหยุดประกอบไอ้ชิ้นส่วนตัวนี้ตัวสมุทรยศัจายันทา ง, งานดีจังใช่ไหมขยันมาก ตัวตันหามานะทิธีตัวบาปอกศุศลธรรมะรามุ่งหนึ่ขยันมากเขาทำกรรมผลิตเรื่อยๆเลยเล ย, เลยนะวันหนึง่งวันหนึง่งขนาดมาศึกษาพระธรรมแล้วเมย์เขายังผลิตอยู่นั่นแหละอะถ้าในปฏิสนธิการไม่ได้เขาผลิตในวัตถิการออาสิเขาให้ทุกจุดเลยอะตั้งในปฏิสนธิการของวันนี้เนี่ยเอาแค่วันนี้ที่ผ่านมาเมาย์ผลิตโรงงานที่เป็น <c oughs> ชิ้นส่วนมาไม่รู้กี่ชิ้นส่วนแล้วใช่ไหมบอกโอ้โหน่ากลัวมาก ลองคิดดูดิแต่เป็นอะไรที่ไม่ใช่ชวิเศษอะไรหรอกเป็นอะไรหยาบหยาบแต่ทนนะใช่ไหมท น, นมากลงไปได้แขนได้ขาได้หน้าได้ตาไ ด, ได้รูปปักษันของของของสัตว์นรกโอ้ยทนมากไฟเผาไม่ไหมชอบไหมไฟเผาได้ล่องได้เจ็บปวดได้แต่ไม่ตายเนะเป็นมนุษย์พันธุอมตะลองน่ากลัวมากใช่ไหมเอาสิไปวิ่งไปร้องกันอยู่นั่นแหละ นี่ไงทุกขสัตริย์ท่านมองแบบนี้ท่านคิดแบบนี้ท่านเข้าใจอย่างนี้ท่านเห็นแบบนี้ท่านเห็นทุกขสัตริย์ถ้าเห็นแบบนี้ถ้าถ้าไม่ใคร่ควรไม่พิจารณาไม่เห็นอย่างเนี้ยแล้วแล้วมันจะสะดุ้งสะเทือนในการยึดประกอบมรรคได้ไงยังไถ้าเราเห็นอย่างนี้เราก็โอ้โหอย่างเงี้ยอนอนหลับสบายดีไหมถ้าเข้าใจอย่างนี้ตลอดด้วยแล้วยังไงขนาดฝันไม่ยังเข้ามากระเซ็บในความฝัน จะเอาจะเอายี่ห้อนี้ไหมล่ะเพื่อนมะเขือก็สียี่ห้อแบบไหนแแบบแบบท่านเทวทัศน์อะยี่ห้อนี้น่าสนใจเนะอะเลยแกโอ้โหนักเคราะเราเคยทำไหมเคยทำกรรมหนักๆไปเยอะเรายังมีเชื้อของความโกรธรุนแรงมากใช่ไหมเคยโกรธใครจนตัวสั่นไหมล่ะโกรธจนลืมเนื้อลืมตัวเคยไหมล่ะใช่ไหมแล้ ว, ลวเคยโลภอย่างจุดๆเคยไหมล่ะ แบบตัญหาทํางานอย่างรุนแรงเลยแบบหยาบหยาบอ่ะยังไปนั่งวิจัยด้วยเนี่ยแล้วขันเหล่านั้นน่ะแปลว่าสำเร็จแล้วเอาสิใช่ไหมรออย่างเดียวแค่นั้นแหละรออย่างเดียวเมื่อไหร่จะเขาจะผลิตออกขายได้ใช่ไหมแปลว่าเขาประกอบไว้เสร็จสาเรียบร้อยแล้วรอนําเสนอแล้วเราก็เนี่ยคือผู้ผู้ผู้ประกอบผู้ซื้อเนียผู้บริโภคนี่ก็เรียกผู้บริโภค Blue แต่รู้อย่างนี้ไม่น่าไปสร้างไว้เลยเนี่ยทุกย่อมเป็นอันกล่าวถึงนิโรธสมุทัยสัจจะนะก็ผลสําเร็จได้โดยการกล่าวถึงเหตุจริงย่อมเป็นการกล่าวถึงนิโรธาสัจจะได้ทุกขสัจจะเนาะทุกขสัจจะเป็นผลพอรู้นิโรธาสัจจะสาวไปหาเหตุของนิโรธาสัจจะก็คือมรรคเนาะพอรู้ทุกขสัจคืออุปาทานขันก็สาวไปหาเหตุก็คือสมุทัยสัจจะฉะนั้น มารกษร์ก็มีผลคือนิโรธาสัจจาเนี่ยม า, ารกษะสัจจาเป็นเหตุสมุทญาสัจจาเขาเป็นเหตุของทุกเนะี่ยทำที่ควรทําให้แจ้งเราก็ได้ทําให้แจ้งแล้วทำที่ควรรอบรู้เราก็ได้กําหนดรอบรู้แล้วได้รวมความอยู่ในคาถานี้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงแสดงอริยสัจสี่กล่าวคือทุกสมุทยัยวิรุณนิโรธมรรคแล้วก็วิมุตินะ มีมดกล่าวคืออริยผลแห่งการเจริญสัจจะสี่จงบริบูรณ์เบ็ดเสร็จแล้วก็ถึงยังพุทธภาวะให้สําเร็จนะการเป็นผู้ได้เจ้าเนี่ยด้วยเหตุอันสมควรว่าเรารู้ธรรมที่ควรรู้แล้วจึงเป็นสมมาสัมพุทธาเป็นต้นในข้อต่อไปนะในข้อของในคาถาอ๋อในในนี้ถ้าไม่ใส่ข้อเขาว่าในสมัญต์ไม่ได้ใส่ข้อเขาไว้นะแต่ในชั้นของดีกาเขาใส่ข้อเขาไว้ในบรรดาคำเหล่านั้นเขาวิชา ได้แก่อะไรวิชาในที่นั้นได้แก่อริยมรักนะได้แก่อริยมรักท่านกล่าวถึงวิชาในมรักวิชาในโสดาปฏิมรักษ์สกาทาคามีมรักษ์อานาคามีมรักษ์ก็หัตถมรักษ์ถ้าถามว่าพระบรมศาสดาตั ส, สรุนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณตัสรุเป็นพระพุทธเจ้าถามว่าพระพุทธเจ้า น, นั้นต้องบรรลุปเป็นไปตามลำดับเหีงมรักษ์ไหมต้องเป็นนะ ต้องได้โสดาปฏิมากศากาธาคามีมรคอนาคามารคานตามรคเนืไม่ใช่โดดขา้ามนะีไม่ใช่ผ่านยานตั้งหลายรอบแล้วมาแล้วก็ย้อนกลับมาเป็นบุตรชนไม่ใช่เลยไม่กำเริบถ้าใครผ่านยานสิบหกแล้วเนี่ยถ้าผ่านหนึ่งครั้งเนี่ยเป็นพระโซดาบันเลยนะผ่านหนึ่งครั้งแล้วแปลว่าจะต้องมาผ่านมาเยอะครั้งบางคนบานตั้งสิบสิบรอบนี่ยุ่งเลยอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้ผ่านไม่จริงละถ้าผ่านจริงจริเนี่ยบรรลุจริงเลยนะงั้นวิชาได้แก่วิชาในอริยมรค วิชาในชื่อนั้นเป็นชื่อของสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าแล้วก็สัมมาสังกปรเป็นต้นเหล่านี้นะสรุปก็คือมครคมีองค์แปดมีวิชาโดยการกล่าวถึงสูงสุดคําว่าวีมุตต์ก็ได้แก่อะไรอริยผลคือโสดาปฏิผลเป็นต้นแม้ก็ในข้อเนี้แม้วิชาในมครคท่านก็ถือเอาความที่บอกว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญเ อ, อขนาดอยู่ในนั้นนะอยู่ในมครคท่านก็ยังเรียกว่าเป็นธรรมที่ควรเจริญอยู่ สภาวะทั้งหมดก็ควรรู้ยิ่งนะถามบอกว่าแม่มาก์คัสสัตย์ก็ยังควรรู้ยิ่งไหมล่ะควรรู้ยิ่งเพราะเป็นอภินิยย่ยธรรมใช่ไหมทำที่ควรรู้ยิ่งเราก็ได้ทําการให้รู้ยิ่งแล้วรู้ยิ่งในที่นั้นก็คือทุกในพระองค์รู้ยิ่งสมุทัยพระองค์ก็รู้ยิ่งนิโรธก็ทรงรู้ยิ่งแล้วก็มาร์ก็รู้ยิ่งใช่ไหมคําว่ารู้ยิ่งในที่นั้นเป็นชื่อของวิชาในอริยมรและในขณะเดียวกันนะ ท่านก็ยังหลังจากมรรคจบเส้นไปแล้วท่านก็เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งด้วยเพราะฉะนั้นน่ะท่านยังกล่าวความที่วิชาเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งบึ่งเห็นท่านกล่าวความที่ทําทั้งหมดเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งทีเดียวโดยในที่บึงทราบว่าท่านกล่าวความสําเร็จแห่งผลทีนี้การกล่าวถึงเหตุเพราะภาวะเห่งเหตุนั่นเองเว้นจากผลก็ไม่มีใช่ไหมเว้นจากผลก็มีจริงอยู่นะภาวะที่มรรคเป็นเหตุก็กล่าวด้วยการยังนิโรธให้ถึงพร้อม ภาวะที่ตันหาเป็นสมูทยัยก็ด้วยการยังทุกข์ให้บังเกิดแลลวต่างกันเนาะถ้าพูดถึงว่าทุกข์ซึ่งทุกข์เนี่ยเป็นผลของสมูทยัยนิโรธเนี่ยเป็นผลของมรรคเนี่ยคนละคนละเหตุผลกันเลยนะถ้าตัวทุกข์เนี่ยตัวสมูทัยเป็นตัวผลิตให้โดยแท้เลยที่ว่าสังกัตโทเนี่ยไอตัวประชมปรุงแต่งทุกข์เนี่ย พระชมตาหูจมูกเล่นกายใจผมขนเล็บฟันหนังเนื้อลูกปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่จกขูวิญญาณโซตวิญญาณะวิญญาณชิวมวิญญาณกายยิมวิญญาณโนยวิญญาณนี่นะจากขุสัมผัสโตาสัมผัสได้ล่ไปเหอะสิ่งต่างๆเหล่านี้น่ทุกเป็นตัวผลิเอตัวสมุทรไทยไปผลิตให้ะฉนั้นสมุทรไทยนี่เป็นเจ้ากรมใหญ่เป็นตัวผลิตอะไหชิ้นส่วนทุกทกชิ้นไอตัวสมุทรทยนี่แหละตัวตัณหาตัวนายช่างเนี่ยเห็นไหมนายช่างผู้สร้างเรือนน่สร้างเรือนคือสร้างอัตภาพนี่แหละ เออเขาเป็นตัวผลิตเลยอ่ะเป็นตัวผลิตเนี่ยเป็นเหตุที่เป็นตัวทําทุกข์ให้ตั้งขึ้นให้เกิดขึ้นแต่ธรรมะนี่ไม่ใช่มาร์กไม่ใช่เป็นสังกัตโถเขาไม่ใช่เป็นตัวผลิตนิโรธไม่ใช่แต่งนิโรธไม่ใช่คิดนี่ไม่ใช่ทําให้นิโรธอุบัติเกิดขึ้นนะนิโรธที่เป็นธรรมที่มีอยู่มาร์กนั่นเป็นทางเดินเขาท่านจึงใช้เขาเป็นสัมปาปะกคี เป็นเหตุที่เป็นหนทางเพื่อจะให้เดินเข้าไปถึงการดับทุกข์เท่านั้นเองเออมันต่างจากคําว่าสมุทัยเป็นเหตุนะต่างกันเดี๋ยวจะไปเข้าใจว่าเอ๊ะมาร์กเป็นเหตุกับสมุทัยเป็นเหตุเนี่ยเป็นตัวสร้างเหมือนกันไม่ใช่แต่สมุทัยเนี่ยสร้างแน่นอนเลยนะสร้างขันเป็นโรงงานผลิตเนี่ยอุปมาณน้ได้เลยชัดเลยแต่ถ้ามาเนี่ยไม่ใช่เป็นโรงงานผลิตนิทานแต่เป็นหนทางใช่ไหม เป็น้นทางเป็นทางเดินเพราะคาว่ามักเนี่ยเป็นชื่อของสิกขาสามใช่ั้ยเป็นชื่อของศีลสมาธิปัญญาและศีลสมาธิปัญญานั้นเป็นการเป็นการฝึกฝนเป็นการพัฒนาการของศีลสมาธิปัญญาที่จะทำให้ถึงพระนิพพานแต่ไม่ใช่ว่าตัวมัคคสัตว์เนี่ยเป็นเป็นตัวสร้างพระนิพพานให้เกิดขึ้นไม่ใช่นะหรือเป็นโรงงานสร้างพระนิพพานไม่ใช่ พระนิพพานนั้นเป็นธรรมธิฏฐตาธรรมนิยามตาเป็นธรรมที่มีอยู่เป็นธรรมที่มีอยู่เพราะเป็นอริยสัจเป็นความจริงอยู่ที่มีอยู่จริงอยู่พระนิพพานเนี่ยสมุทัยก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าพระนิพพานเนี่ยไม่ใช่มีอย่างขันห้าที่มีแต่สมุทัยเป็นหนึ่งในขันห้าใช่ไหมเป็นสังขาระขันด้วยแต่พระนิพพานไม่ใช่นิพพานเป็นอสังขตรธรรม เป็นวิราคะทำอยู่ไหมเออเป็นไม่ใช่วิราคะเป็นวิสังขารก็แปลว่าไม่ใช่สังขารเป็นวิราคะก็ได้แปลว่าธรมที่สิ้นราคะแต่วิราคะเลยมากบางศัสต์ท่านใช้กอริยมร์ท่านใช้กอริยมร์ฉะนั้นยังไม่ตรงตัวเลยทีเดียวเพราะสภาวะของพันิพานจริงๆก็ต้องบอกว่าอนุปาธาปรินิพานนั่นแนหะคือสภาวะของพันิพานแท้นะ ถ้าสาวปาที่เสศนิพานนั้นจะมีการกล่าวปฏิพพานที่อิงแอบขันอยู่ยังเกี่ยวข้องกับขันที่เข้าไปรับรู้เข้าไปเสวยอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าสภาว่าของพรนิพพานจริงๆถ้าอธิบายชัดต้องเอาอนุปาทาประนิพพานนั่นแหละนะถึงแม้จะกล่าวในเรื่องของสุญญาตานิพานอัปนิหิตานิพานหรืออนิมิตานิพานก็ยังเป็นพรนิพพานที่เกี่ยวข้องกับสายของอ น, นิจจังทุกขังนาตาหรือสายก็ง้ออนิมิตมรักสุญญาตามรักแล้วก็อัปนิหิตมรักษ์ใช่ไหม ซึ่งซึ่งเป็นพระนิพพานที่เชื่อมโยงมาจากการบรรลุการแทงตลอดของวิโมกขมุกนะปากทางในการบรรลุแต่ถ้าสภาวะของพระนิพพา น, นแท้ก็คือนั่นแหละสงบจากกิเลสและรูปนามกันห้าโดยประการและทั้งปวงนี่เป็นความสงบเย็นจริงๆเลยไม่ต้องมาเวียนไหวใจเกิดให้ปวดหัวนะนี่เป็นอย่างนั้นดิบายยามกันนะสภาวะพระนิพพานเนี่ยนะคือสภาวอธิบายสภาวะที่เราท่านทั้งหลายยังไม่เห็นยังไม่เคยนอนฝันเห็นพระนิพพานเลย เคยไหมใช่ไหมขนาดนั้นเลยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะสัตว์โลกที่บบมืดมิดเนี่ยขนาดฝันยังไม่เคยฝันเห็นเลยไอ้ตรงนี้ก็คือว่าความเป็นธรรมที่ควรเจริญก็จริงอยู่ถึงนั้นสภาว่าทั้งหมดก็ควรรู้ยิ่งนะดังที่ได้กล่าวว่าวิ ช, ชาเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งกล่าวว่าธรรมทั้งหมดเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งดังที่ได้กล่าวแล้วนั่นแหละประการต่อไปก็คือว่าในข้อต่อไปนะท่านอาจารย์ประสงค์จะแสดงการจําแนก ความที่กล่าวไว้โดยสามัญเกี่ยวกับสัจจะอย่างนี้โดยเกี่ยวกับสัจจะเนอะทุกสมุทัยนี้ลดมากเป็นต้นเป็นธรรมที่เป็นไปทางทวานทั้งหลายทางจ้กูเทวานโซตัทวานกาณาทวานชิวหายทวานกายทวานมโนทวานเห็นไหมเพราะเออสัจจะเนี่ยท่านต้องการจะหมุนให้เราเห็นใช่ไหมต้องการจะหมุนให้เราเห็นว่าคําว่าสัมมาสัมพุทธะนะวิจิตเพียงไรวิจิตพิสดารเพียงไรแล้วท่านทั้งหลายสัตว์โลกทั้งหลายไม่เคยเห็นสัมมาสัมพุทธะเลยอ่ะไม่เข้าใจเลยว่าตรัสรู้อริยสัจทุกทุกจุด ที่เป็นไปทางจากักรุทวานเป็นยังไงใช่ไหมเพราะในสายของจกักรุทวานนี่โอ้โหเยอะเลยนะจกักขุประสาทลูปา ร, รมณใช่ไหมสายของจกักรุทวานไหมจกัจกรกุญาณจักรกุสัมผสัสจกักรุสัมผัสชาวเวทนาใช่ไหมแล้วก็ตันหาไหมโรูปรตันหาไหมแล้วอุปาทานไล่ไปทีโอยสายแคสา ย, สายจากักรุทวานนี่เยอะเลยธรรมมาที่เจ้าอามาวิจัยลงอริยสัตว์เห็นไหมลองคิดดูถ้าเราเห็นอริยสัตว์ ทุกอ น, นูของทางจากักรวาลเนี่ยจะน่าชื่นใจงไงเขามาสัมมาสัมพุทโธปรากฏชัดเลยอเอาจากักรวิสัช์ก็เห็นอริยสัจในจกักรวิสัช์เห็นตัวจกักรวิสัช เ, เ, เป็นทุกข์ทุกข์สัตว์ก็เป็นธรรมที่ควรรอบรู้นะเป็นทุกข์สัตว์ว่าโอ้ในนั้นมีอะไรมีมีอันนี้ลักษณะในนั้นน่ะตัวจกักรวิสัชนะ์เน่ยมีทุกขลักษณะในตรงนั้นลักษณะที่เป็นทุกข์อ่ะแล้วก็มีอนัตตลักษณะหรือลักษณะที่เป็นอนัตตาคอนโทรลไม่ได้ในนั้นอยู่ แล้วก็มีความไม่งาม น, นี่นั้นด้วยบโอ้โหเนี่ยเห็นไหมแม้ตัวจกักรคูประสาทนั้นก็มีมีมีลักษณะความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาแล้วความไม่งามอันนี้คือลักษณะของสามมัญยลักษณะนะแต่ก่อนสามมัญยลักษณะนั้นมีปัจจตรลักษณะคือจักรคูประสาทนั้นมีลักษณะเฉพาะตัวยังไงใช่ไหมเออมีกิจของเขาอย่างไรแล้วก็มีอาการปรากฏอย่างไรมีเหตุใกล้อย่างไรของจักรุประสาทเป็นต้นโอ้โหนี่เห็นไหม ท่านต้องการให้เห็นว่าสัมมาสัมพุทธะที่ไปรอบรู้ทุกขสัตว์แล้วก็วิจัยลึกลงไปว่าไอตัวทุกขสัตว์เหล่าเนี้ใครเป็นตัวประชุมใครเป็นตัวปรุงแต่งใครเป็นตัวสร้างมาตันหาคือตัวสมุทัยตันหาเป็นตัวผลิตโรงงานกล่าวคือจักรประสาสตร์แเนี้ยแล้วตันหานั้นบวกกับกรรมกับอวิชาโอ้อาวิชาตันหากรรำในอดีตเป็นตัวผลิตตัวจักรครูศาสตรเมื่อให้จักรครูศาสตร์มาแล้วต้องให้ที่ตั้งด้วย ให้ที่ตั้งของเขาด้วยคือมหาโพธิโลกคือดินน้ำไฟลมสีกิรลอโอดชาธาตุให้เอาวิณิพนธ์รูปแปดเป็นที่ตั้งของจักขุูประสาทมาด้วยและให้ชีวิตรูปมากำกับไปด้วยเลยรวมเป็นจักขคูท่าศักรากราบที่มีจํานวนรูปสิบเห็นไหมบอกโอนีท้ทุกและในกลุ่มทุกเหล่าเนี้ยสมุทัยอะ่ะคือตัณหาผลิตมาให้ตัณหาที่จะเชื่อมผลิตมาให้ตัณหาบวกกับคำเนะี้ยมีคำรรเป็นสายมีอวิชชาเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นตัวกํากับอยู่เบื้องหลังเป็นตัว เป็นผู้มกรอบใหญ่เห็นไหมบอกว่าเอาเนี่ยเอาไปใช่ไหมฮะนะสัตว์โลกทั้งหลายนี่ววนนชอบตาดีนักเอาตาไปเลยใช่ไหมปิดไม่เห็นให้ไม่เห็ น, หนสัจจความจริงพอไม่เห็นสัจจความจริงอวิชาความมืดบอดปิดใช่ไหมตัณหาก็ชอบใจใไหมกุศลกรรมอากุศลกรรมก็ทํากรรมถ้าอกุศลกรรมก็ได้ตาของบะยสัตว์ถ้าเออถ้ากุศลกรรมก็คได้ตาของมนุษย์ด้วยเทวดาใช่ไหมเอกุศลกรรมก็ได้ตาของพวกบะยสัตว์ไปอย่างนี้เป็นต้นนี่เราก็ได้ตามันหนึ่งก้อน พร้อมทั้งจักขคูปศาสตร์พร้อมกับสสามภาราจักขคก้อนใหญ่ก้อนเล็กไม่เท่ากันเนี่ยทำได้มาหนึ่งลูกแล้วก็เพิ่มอีกลูกเป็นสองลูกได้ตาคนละสองลูกแล้วแหมทุกไมที่เห็นอย่างเงี้ยถ้าเห็นอะไรออกมาเงี้ยโอ้โหเป็นทุกเลยใช่ไหถ้าไม่เห็นจริงๆก็ไปแค่ไปแกะดูใชไหมในโรงพยาบาลให้ขคดูหน่อยดิว่ มันจะได้เห็นอาจริงๆนะต้องไปวิจัยงั้นนะไปควักออกมาดูเลยอ้อนนี้เองได้หนึ่งลูกบาง้ย่าไอ้หนึ่งลูกเหล่านี้ประกอบไปด้วยเกิดจากกรรมกิตอุตวหารเป็นตัวเราเนี่ยนะสะมภลายจะขู่โใหญ่โตมากอย่างนีเห็นโอ้โหนี่เองนี่เองตัณหามอบมาให้ควักดูแล้วไม่มีอะไรเลยมีเส้นสายละยงในใยเต็มไปหมดเลยอย่างยงจอคอมพิวเตอร์อย่างสายใยวิทยุเองนะบ่เชื่อมสายอะไรต่างๆยงยงใยไปหมดเลยอ่ะ แล้วบอกโอ้โหพิรุกต์กือขนาดนี้เลยนะพิจารณานี้ทุกอย่างนี้เห็นไหมถ้าวิจัยมันจะชัดโอ้ตันหาบวกกับกรรมในอดีตแล้วก็มีวิชาคอยคอนโทรนอยู่คอยกํากับอยู่อยู่เบื้องหลังศาสตร์โลกไม่เห็นทุกข์กษัตริย์ไม่รอบรลกในทุกข์กษัตริย์เห็นเห็นว่าเป็นทุกข์ก็ทุกข์แบบชาวบ้านเห็นแน่สิแต่ไม่เคยเชื่อมโยงไปเจอสมุทัยคือเหตุที่ตันหาได้ท่องกันได้หมดแล้วสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ แต่เชื่อมโยงคิดไม่ได้ต้องมานั่งวิจัยแค่แก่เก่าอย่างเงี้ยเอาคิดได้ตัวเนี้ยเอาเริ่มคิดได้ไหมถ้าแค่ขนาดเนี้ยแม้แต่คิดไม่ได้เป็นเรื่องน่าคิดใช่ไหมถ้าขนาดนี้เราคิดไม่ได้น่ากลัวไหมล่ะเห็นทุกเมงเงี้ยเออนี่ยังปรารถนาตาอยอีกไหมเอาที่ไปดูตากรบตาเขียดใช่ไหมเออไปดูตาช้างไปดูตาของพวกหมาวัวควายเป็นต้นอย่างเงี้ยนะหมูแพะแกะ ไปดูดิเนียั่นแหละทุกข์กษัตริย์พอเห็นตาปุ๊บมีตาใครมองมาปุ๊บเราจะได้เข้าใจวันนี้ทุกข์นี่ชัดเลยที้เป็นที่ตั้งของชาติที่ทุกข์ยังไงเป็นที่ตั้งตัณหาอย่างไงเป็นต้นไหยตัณหาที่สร้างตาเป็นยังไงต่อไปเริ่มเข้าใจบวกกรรมยังไงมีวิชาหญุนเนืองอยังไงนี่เห็นแล้วเขาเห็นอย่างนี้มไม่ถามนักจเจริญนิพพานนาเห็นแบบนี้ไหมล่ะถ้าไม่เห็นอย่างเนี้ยแล้วตัณหาจะสะดุง้งหรือเถื่อนไหมถ้าใหญ่ใช่ไหม ก็ต้องเห็นเราเห็นมากกว่านี้ด้วยอันนี้ที่พูดมานี่เศษหนึ่งส่วนไม่รู้กี่ร้อยกี่ล้านที่เขาเห็นนะ่ะปาริยธทั้งหลายท่านเห็นมากกว่านี้ท่านเห็นทะลุทะลวงเนะ่ะเห็นจนท่านเบื่อนหน่าย่เหมือนเอาอะไรมุขแขวนตัวท่านระยงระยัยไปหมดนะขนาดนั้นนะ่ะอะไรกันไม่รู้แขวนในตัวท่านระยองระยัยอะ่ะเหมือนท่านภาษาลิบววุตรบอกโอ้โหอย่างเอาซากสุ น, นักเน่าแขวนคอขัน้นท่านอยู่ตลอดเวลาเลยเหมือนสตรีชอบแต่งเนื้อแต่งตัวใช่ไหม ชอบแต่งเนื้อแต่งตัวมากวันดีคืนดีดเอาซ่าคือนักเน่ามากแวนคอมัดติดเข้าไว้แกะออกก็ไม่ได้ท่านจะอึอดอัดอิดหนาละอาใจขนาดไหนอะขนาดนั้นนลองลองเราอุปมาเนี้ไปคิดดูดิมันต้องเห็นละยงละใหญ่จริงๆเห็นวยความเป็นละยงละใหญ่หน้ารังเกียจโนไปที่ไหนใช่ไหมถจะมีใครมาชื่นชมสลีร่าท่านท่านสลดสังเวชขนาดหนักเลยนึกโอ้โหรหันทดใจเลยสัตว์โลกที่บอดบืดมิดเนี่ยนะ เราก็เคยบอดมืดมิดมาไม่เคยเห็นแบบนี้เลยอ่ะเน้นต้องวิจัยอย่างนั้นในบรรดาผู้ใช้ปัญญาในการเจริญนรู้ปัญนาทั้งหลายต้องวิจัยแบบนี้ถ้าวิจัยอย่างนี้ตั้หาหมดที่พึ่งใชปัญญาปัญญาก็เข้ามาวิจัยแล้วแต่เนี้ยเริ่มกดความมั่นใจเอาถ้าเราวิจัยแค่แค่แบบเนี้ยแค่นั่งสนทนากันแบบนี้เราเห็นไหมละอย่างนี้เห็นไหมอย่างนี้เข้าใจไหมเห็นไหมความเข้าใจเริ่มชัดนะเข้านะเข้าเนี่ย โอ้เราจะไปเจอเด็กสักคนแล้วตางามเนี่ยไหวไหมทีเนี้ยไม่งามซะแล้วเห็นลูกตาก็โอ้โหก็สะท้อนถึงตาที่เรากําลังแบกอยู่บริหารอยู่ดูแลอยู่แล้วก็มองไปถึงตาภายนอกเยอะแยะหมดตาภายในก็ไหมพจิจารณาเห็นกายในกายภายในบ้างพระเจ้าบอกมาตั้งนั้นเราก็ไม่เคยซื้อเรื่องเซียนนะตานี่แหละคือกายภายในนี่พจิจารณาเห็นตาในตาตากายในกายอะ่ะ กายในกายเนีน่ยภายในบ้างก็นี่ไงตาเรานี่แหละที่สมมุติว่าตาเรานี่แหละที่มันประกอบไปด้วยเกิดจากกรรมจิตอุดรหานนี่แหละอันนี้ขนาดกรรมยังแค่นี้นะก็จากจิตแต่จิตอะไรบ้างละ่ะที่ทําให้ตากลิ้งแต่ละ ว, วันเนี่ยโลภะจิตเนี่ยทําให้ตากลิ้งไปกี่รอบในสังสารวัฏที่ผ่านมาบางทีแทบจะถลนออกนอกเบ้าที่เราไปชอบอะไรเนี่ยนะโอ้ยชอบงามงามเหลือเกินตาก็ลึกลักลึกลั ก, ล ก, ลกอยู่ลงคิดด้วูนะ มันงามอยากจะดูอ่ะถ้าโกรธขึ้นมาก็ทะลึงมองแข็งทื่อเลยนะน เ, ยเนี่ยอลองคิดดูทีนี่โอ้โหตาเราเนี่ยวิญญามราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิวิจิกิชายิรกิกะอนุตบุธเจ้าโอ้โหตาหน้าโกงเยี่ยเนี่ยตัณหาก็ประกอบเสร็จเส็จนั้นะสร้างกรรมเรียบร้อยโอ้โหปรุงแต่งอย่างละเอียดยิบเลยอ่ะนี่ถ้าที่มีตัณหาเป็นเพื่อนเนี่ยคอยกระตุน้นเตือนให้ปรุงแต่งตา วิจิตอย่างมากเลยนะที่เราสร้างกรรมกันเข้าไว้ลองคิดดูที่บางทีะโทรสารมาเสริมให้หน่อยว่าตรงนี้ไม่ค่อยวิจิตเดี๋ยวเราช่วยวิวิเสริมให้หน่อยว่ามันนะเสริมตาให้วิจิตหน่อยไอมาณะเข้ามาเฮ้ยต้อตงฆ่านี่วิวิจิตกว่าอย่างเนี้ยเล่นจนจนหน้าทุก ท, ทุรักทุเลเลยว่างั้นเด้ะแล้วบอกโอ้โหจิตเนี่ยวิจิตมาก ม, มันหลอกนะนะมันหลอกแล้วมันก็ทําให้เราได้อะไรก็ไม่รู้โอ้แล้วหนักเข้าหนักเข้าก็ พอมันไปเหมือนๆกันหน่อยก็เลยดูงามมันไปเหมือนกันเลยจริงๆแล้วใช่ไหอถ้าเปรตไปอยู่กลุ่มเปรตมันก็ยังยังมันยังมันว่าเองสวยเองงามอยู่นะพวกเปรตเนี่ยมนุษย์อยู่กกลุ่มมนุษย์ปัจจันตยชนบดเลยพวกมัจฉิมประเทศเลยอะไรเนี่ยนะในสังคมนะก็ลังเกียจกันได้โคตรใช่ไหมเพราะไม่มีวิชาไม่มีมุดอ่ะ ไม่มีจรนะไม่มีวิชาก็ลังเกียจกังนงั้นแหละในบรรด า, าสัตว์ทั้งหลายที่นั่นด้วยกิเลสทั้งหลายก็จะเนี้ยโอ้โหการไม่เห็นคุณของสัมมาสัมพุทโธดินน่ารังเกียจน่อยเคยไปนั่งวิจัยแบบนี้ไหมยอมเดมเคยไหมล่ะน่ะอ้าเคยไหมที่เรียนมาเคยไปนั่งวิจัยขนาดนี้ไหมเห็นไหมฉั้นต้องวิจัยต้องวิจัยอย่างนี้จริงๆนั่นอย่าแปลกใจนะที่เขาวิจัยอย่างนี้แล้วเขา อิดหนาละอาใจเหลือเกินเนี่ยอิดหนาละอาใจก็นั้นเป็นกิจที่เราจะต้องทําตามที่พุทธเจ้าเราต้องไปต่อยอดวิจัยให้ได้ทั้งนี้เนี่ยทีนี้นี่คืกตันหาเก่าเนาะตันหาเก่านะเป็นเหตุเก็บอกว่าไอความวิจิตเนี่ยตันหาเป็นเหตุเป็นประธานแห่งความความวิจิตแห่งทุกข์ด้วยทุกข์เน่ะโอ้ยตันหาเนี่วิจิตมากเนี่ย สังเกตดูนะเวลาเราประดิษ์ประดอยอะไรเนี่ยเวลาเราจะโกรธเออเวลาเราจะโลภจะอะไรต่างๆนี้เวลาตัณหามันเกิดมันคิดละเอียดยิบมันวิจิตมากใช่ไหมเอาอย่างในเวลาพกปรุงแต่งตัณหากันทั้งหลายเนี่ยถามวิจิตไหมอ่ะสําเร็จหมดแล้วเรียบร้อยโดยสํานวนเขาบอกก็ว่านี่นหละกรรมสําเร็จแล้มันมันบวกกับกรรมเนาะเป็นเหตุแห่งความวิจิตแห่งกรรม ตัญหาวิจิตกรรมวิจิตสัญญาวิจิตตัญหาวิจิตตัญหาวิจิตกรรมวิจิตเนีกรรมวิจิตการกระทำวิจิตนะยการกระทําวิจิตขึ้นมาวิบากคือผลได้รับก็วิจิตโอ้โหเห็นไหมทั้งทั้งทั้งศึกษามาเนี่ยแต่เราไม่อสำคัญที่มันทำไปแล้วไอ้มันทำไปแล้วไอ้ที่จะทาใหม่นี่ก็ถ้ายังมีสติสมัชัญญาก็น่าจะระมัดระวังกันหน่อยไอ้ที่ทาไปแล้ว แล้วก็ยังประชุมมักไม่ได้สักมักเล ย, เยเจะว่ายัางไงท่านผู้มีหนี้กันทั้งหลายเนี่ยเนียดิฉันจะไปตามกรรมของดิฉันใช่แล้วเราก็ยังมาบอกว่ายะถาสติยะถาพลังกันอยู่เนี่ยจะทาในใจอยู่ปฏิบัติตามใจตามอยู่ใชตามกำลังเนี่ยมันต้องเปลี่ยนใหม่เต็มกำลัง นี่ไม่ได้ตามกำลัง